ขอนอบน้อมพระรัตนตัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอาการาดหลวงพ่อกรมอาจารย์นรงวิทย์อาจารย์วัฒนชัยแล้วก็เพื่อนสันธรรมีทุกท่านอเาจาริญในธรรมแม่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกคนก็นั่งกันตามสบายเนาะวันนี้ก็เป็นฝ <c oughs> นพระใหญ่ อีกวันหนึ่งวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเดือนเก้าใช่ไหมแล้วก็ญาติโยมก็มามาเข้าสินผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วนะเข้าพรรษานะเร็วนะเหลืออีกแค่สองเดือนก็หมดพรรษาละอืเวลาเนาะวันคืนล่วงไปล่วงไปเนะ เราต้องคอยพิจารณาดูว่าเราทำอะไรอยู่บางทีเวลานี่ก็ผ่านล่วงไปเร็วเร็วเนาะอืมหลายคนก็เวลาก็ล่วงไปมาเจ็ดสิบแปดสิบปีละอืมบางคนก็ยี่สิบสามสิบสี่สิบปีละนะเวลามันล่วงไปนะร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเนาะอืมผมก็ขาวขึ้ น, นหน้าตาก็ มีรอยเหี่ยวรอยย่นรอยด่างรอยดำนะเกิดขึ้นกับร่างกายนะของเรานะมีมีมีปู่กับ้านนะคู่หนึ่งนะนะเขาคุยกันนะน่ารักดีนะอ่าปู่ก็อายุสักเจดสิบปีละนะดานก็อายุสักเจดขวบนะก็คุยกันนะานผู้ชาย ก็ถามปู่ว่าปู่ทั้หน้าตาของปู่เขาก็คงเห็นหน้าตาของปูนะ่เนาะมีรอยเหี่ยวรอยย่นนะนะด้วยความแก่ความชาราเนาะก็ถามปู่ทําไมทําไมปู่ถึงเป็นแบบนี้ล่ะนะปู่ก็ตอบว่าธรรมชาติเขาสร้างให้นะธรรมชาติเขาสร้างให้ด่นะานก็ หลานก็บอกแล้วของผมเนี่ยล่ะปู่ก็ตอบว่าธรรมชาติก็สร้างให้เช่นเดียวกันนั่นแหละเด็กก็ตอบนะเด็กก็ตอบน่ารักนิดนะก็บอกว่าออสงสัยธรรมชาตินี่ฝีมือดีขึ้นเนาะ<笑><笑>เด็กมันก็คิดว่าเอธรรมชาติสร้างปูมป่มาเจ็ดสิบปีนั่นนะหน้าตาเลยเหียวย่นแบบนั้นนะแต่ธรรมชาติสร้างเขามาใหม่เนี่ย ฝีมือพัฒนาขึ้นแต่ก็รู้ไม่ว่าเดี๋ยวต่อไปพอเราอายุมากเช่นนั้นก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับคุณปู่นะบางทีนะเราดูดูอะไรเนี่ยเราพยายามดูไกลๆนะบางทีเราลงความสวยลงความงามนะบางทีเราก็ดูนั่นแหละนะบางทีเราเห็นผู้หญิงสวยนะอดูแม่ก็เลยเป็นแบบไหนนะ เดดูดูยายดูย่าเขาก็ได้นะเขาก็จะเป็นประมาณนั่นแหละผูนะ้ <c oughs> ชายก็เหมือนกันน ะ, ะเห็นผู้ชายหน้าตาดีหล่อเรานะแข็งแรงดูไปเถอะนะดูพ่อของเขาเนะ่เริ่มเริ่มแก่ผมเริ่มขาวนะฟันเริ่มหลนะ่อถ้าไปดูเห็นปู่เอกเห็นตาเอก มันจะน่าเอาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้อันนี้พอดีเคยได้ยินครูบาอาจารย์รูปหนึ่งท่านสอนนะท่านคงเห็นเห็นพระรูปหนึ่งท่านคงอาจจะมีจิตอาจจะชอบเรื่องเรื่องผู้หญิงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะท่านก็พูดน่จะเอาอะไรให้ไปดูดูแม่มาเถอะเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละอ่าบางทีเราก็เห็นความความสาวเห็นความสวยเนาะอนะ่ เห็นที่รูปร่างแต่พอดีก็ดืมว่าต่อไปถ้าเขาแก่ขึ้นม า, นาถ้าเขามีอายุมากขึ้นเรายังจะชอบเขาไหมอันนี้ท่านก็ให้เราพิจารณาดูเพื่อให้เราคายกําหนัดคายความยินดีนะแต่สำหรับคนที่มีคู่มีอะไรอยู่แล้วก็คงต้องดูแล ก, กันไปนะตามอัตภาพนะเพราะบางทีมันอาจจะไม่ใช่การแค่ ดูที่รูปร่างภายนอกเท่านั้นนะแต่สิ่งที่มันอาจจะมีค่ามากกว่าคือคุณธรรมภายในจิตใจบางคนแม้จะดูข้างนอกไม่สวยแต่ข้างในเขาสวยก็ได้นะอย่างมีมีกอนนะเขาบอกว่าคนคนจะงามงามน้ำใจนะใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยเัญยาใช่ตาหวานคนจะแก่ แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตนะเราจะงามเราจะสวยเนี่ยมันอยู่ที่จัญญามรายาหรือว่าน้าใจของเรานะหรือแม้แต่คนแก่เองก็เหมือนกันนะแก่ก็ไม่ใช่แก่เพียงแค่แก่แดดแก่ฝ น, แ ก, ฝนแก่ตามอายุไขแต่เราต้องแก่ความรู้นะความรู้อะไรนะความรู้อาจจะทั้งเรื่องนะเรื่องการพึ่งตนเองภายนอก เราก็เป็นความรู้ที่เกิดจากการที่มีจิตใจมั่นคงด้วยอันนี้เราถึงจะเป็นผู้ที่เรียกว่ารู้ลาตีนานนะเป็นผู้ที่แก่นะแต่บางคนอาจจะอายุยังไม่มากยี่สิบสามสิบแต่ถ้าเป็นผู้ที่ทรงความรู้เป็นคนที่ทรงธรรมก็ จ, จะเรียกว่าเป็นผู้แก่ก็ได้นะผู้แก่เรียนนะผู้แก่ทรรมก็ได้นะแต่บางคนอายุมากนะเฉยๆนะ แต่ก็ยังทำตัวเ็วไลยังนะไม่สามารถพึ่งตนเองได้ยังจมกับความทุกข์อยู่ก็อาจจะไม่เรียกว่าผู้แก่ก็ได้นะอย่างพระพุทธเจ้าเองท่านก็เคยตัดไว้นะในบทพระเทกรักค า, าถานะาบอกว่าอาถ้าเป็นผู้ที่มีสตินะเห็นความจริงอย่างจมแจ้งนะแม้เพียงราตีเดียวก็ยังน่าชมนะ น่าชมกว่าพิสุแม้บวชเป็นร้อยพรรษาร้อยปีได้ซ้ำทังนั้นการที่เห็นความจริ ง, งแจ่มแจ้งนะแม้เพียงวันเดียวนะก็ยังน่าชมกว่าคนที่อยู่กับโลกนี้เป็นร้อยปีแต่ไม่เห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งนะอันนี้คือความแก่นะหรือว่าแม้แต่ความ <c oughs> ความดั้มความรวยเนาะบางคนก็ไปคิดถึงความลัําความรวย ที่ทรัพย์สินเงินทองหรือชื่อเสียงเกียรติยศนะแต่จริงนะเราสามารถรวยจากการที่เราคนรวยจริงๆคือคนที่กล้าเสียสละนะสละนะสละทรัพย์สินเงินทองสละค่าของเครื่องใช้สละออกไปนะเพื่อให้เป็นธรรมทานเพื่อให้เป็นทานแก่คนอื่นนะทานจริงๆก็คือการสละนี่แหละนะคนที่ สระได้บ่อยๆนั่นแหละคือคนรวยบางคนเป็นเศรษฐีนะแต่ตนี่ไม่รู้จักสระอันนั้นไม่เรียกว่าเศรษฐีในทางหมายของพุทธศาสนานะอาจจะเป็นเศรษฐีทางโลกแต่เศรษฐีทางธรรมจริงก็คือคนที่คนที่เสียสระนะทรัพย์สินเงินทองยังไม่สมัยพุทธกาลเนาะก็มีเศรษฐีหลายคนที่พระพุทธเจ้าท่าสรรเสริญอย่างเช่น อนาพินทะกะเศรษฐีมันนะตั้งโรงทานทุกวันนะแจกรงทานให้กับคนที่ยากจนหรือว่าคนที่ไม่มีอาหารจะรับประทานตั้งโรงทานทุกวันนะลูกก็มาช่วยพ่อช่วยแม่ทําโรงทานนะทําแบบเนี้แหละนะตลอดทั้งชีวิตเลยนะหลายๆเศรษฐีก็เป็นเช่นนั้นนะอืมอันนี้คือคนที่เสียสละจริงๆเสียสละ มีมีคนไทยคนนึงเหมือนกันนะตอนนี้เขาก็ยังมีชีวิตยอยู่นะเป็นเภสัชกรนะเป็นเภสัชกรด็อเตอร์กิศนานะไก่ศิลนูปอาจจะบางคนอาจจะเคยได้ยินนะด็อเตอร์กิศนาไก่ศิลเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงตอนนี้อายุ ป, ประมาณสักหกสิบปีมั้งเขาจบด็อเตอร์ด้าน ด้านเภสัชก็คือเป็นหมอยาเนี่ยแหละนะเป็นหมอยาที่เขาก็เป็นคนที่เก่งนะคิดค้นสูตรอคิดค้นสูตรยารักษาโรคโรคเอสดโรกเอส ด, ดน่าจะก่อนมันระบาดมากหรือเกิดขึ้นในเมืองไทยเองก็ก็ค่ายารักษาที่มีการคิดค้ น, นจากต่างประเทศนี่ก็แพงมากที่จริงไอ้ไม่ใช่ยารักษาเอดหอกมันเป็นยาแค่ ทำให้ภูมิคุ้มกั น, ม, นมันพัฒนาขึ้นนะโรคเอดมันรักษาไม่ได้แต่ก็ทําให้เรียกว่าภูมิต้านทา น, ม, นมันแข็งแรงขึ้นยาตัวนี้ก็เหมือนกันก็คือเป็นยาที่เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนี่แหละเนะพราะเอดก็คือการที่เนะชื้อไวรัสที่ทําให้ร่างกายมันบกพร่องนะนะยาที่ต้านไวรัสเอดก็คือเป็นยาที่แต่ก่อนนี่นําเข้ามาจากต่างประเทศนี่แพงมาก ทกเตอร์กิษนานี่ก็เออก็ช่วยทำให้ยาเนี่ยเข้าถึงคนจนมากขึนนะคนจนสามารถก็ถึงยาได้แล้วเขาก็ไม่ได้ทำแค่เพียงแค่ในเมืองไทยเท่านั้นนะเขาไปทำในอย่างทวีปแอฟริกาเหมนนะเออแอฟริกาหลายคนนะก็คิดว่าแอฟริกานี้มันเป็นประเทศที่น่ากลัวเพราะว่ามีสงคราม มีความยากจนมีการแย่งชิงพ้นดาเนี่ยกันเยอะมากนะแต่เธอก็ไปนะเธอก็ไปได้ใจที่คิดที่คิดจะให้นี่แหละนะไม่ได้ไปหวังอะไรนะแต่เพราะว่าทวีแปแอฟริกานี่มีคนติดเชื้อเอจนี่น่าจะน่าจะเศษหนึ่งส่วนสามของโลกเรานะเยอะมากนะเยอะมากก็คือเขาก็คิดว่า อย่างแอฟริกานี่ประเทศยากจนมากโอกาสที่จะไปซื้อยารักษาไวรัสนี่มันยากมากเขาก็เลยไปทำตั้งโรงงานผลิตยาที่นั่นนะถ้าเธอไม่ใช่แบบทาแจกเองนะเธอไปแนะนำให้ให้หมอให้เภษัชที่นั่นให้คนงานที่นั่นเขาผลิตยาเพื่อแจกนะหรือว่าเพื่อให้ขายในราคาที่ถูกกับคนในท้องถิ่นนั่นเอง คือไม่ใช่เป็นให้แบบเป็นการส่งเคราะห์เฉยๆแต่เป็นการให้ความรู้นะให้ความรู้แล้วอาจจะช่วยทั้งเรื่องการตั้งโรงงานด้วยเนะี่ยเธอก็ทําแบบเนี้ยหลายปีมากเห็นจนได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายนะเห็นเธอบอกว่าได้รางวัลมากกว่าสองร้อยรางวัล น, นะนะแต่เธอก็เป็นคนที่ที่ดีนะไม่ติดไม่ติดที่แล้วก็ไม่ติดรางวัลด้วยที่นี่พอทําสําเร็จแล้ว เขาย้ายไปทําอีกที่หนึ่งทําอีกที่หนึ่งไปเรื่อยๆนะจนตอนนี้ก็ทํามาหลายที่มากนะแต่ตอนนี้ก็ยังทําอยู่ในหลายแห่งนะอยู่ในเมืองไทยเองก็ทํานะก็ทํากับกลุ่มสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนะี่ยทําเรื่องสมุนไพรนะแล้วก็ทํานะไม่ได้มีเงินเดือนนะนะนะนะนะเขาทําด้วยใจที่รักจริงๆนะทําด้วยใจที่รัก ทำในการหวังที่จะให้ให้เขาพ้นจากความทุกข์นะเช่นใครเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็มีความทุกข์สิ่งที่เภทจชกรท่านนี้ทัดคือท่านไปเพื่อหวังจะให้ให้ยารักษาโรคนะหรือว่าให้ความรู้ในการป้องกันตัวเองอันนี้คือท่านไปแบบหวังจะให้แต่คำพูดของท่านอย่างหนึ่งน่าสนใจนะเขาบอกว่ายิ่งเราให้คนอื่นมากเท่าไหร่นี่ เรายิ่งได้รับความสุขมากเท่านั้นสิ่งที่ให้นะให้คนอื่นเนี่ยแะมันเราไม่ได้คิดว่าจะหวังผลตอบแทนอะไรเลยนะเขาไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะให้ก็คือให้นะให้รับคิดจะเอาเนี่ไม่ใช่เป็นการให้จริงๆนะให้แล้วก็แต่สิ่งที่มันได้โดยที่เราไม่ได้คาดหวังก็คือความสุขใจนะเมื่อเราเมื่อใดที่เราได้ให้อะไรเนี่ยเรามีความสุขใจ นะอันนี้แหละคือผลตอบแทนที่ที่มีค่าที่รำค่าเป็นอย่างมากดังนั้นเวลาเราทำไรนะเราให้ด้วยความเต็มตาจริงๆเนี่ยเรียกว่าเป็นความสุขที่เราได้นะโดยชอบทำนะไม่ใช่ให้เพื่อหวังที่จะเอาอะไรนะอย่างอาจารย์พุทธทาสเองนะท่านเคยท่านเคยบอกนะบอกพระหรือบอกญาติโยมว่ามันมีศีลข้อหนึ่งนะ ถ้าพวกเรารักษาศีลอย่างพระสองอยี่สิบเจ็ดข้อรักษายากนะหรือรักษาศีลแปดศีลห้าเนี่ยรักษายากนะให้รักษาศีลข้อหนึ่งก็ได้นะศีลข้อหนึ่งคืออะไรก็คืออย่าเห็นแก่ตัวนะท่านบอกเนี่ยอย่าเห็นแก่ตัวถ้าคนเรานะรักษาศีลข้ออย่าเห็นแก่ตัวได้นเนี่ยเนี่ยเป็นพระได้นะเป็นพระได้เราทําอะไรนะ อย่าเห็นแก่ตัวนะเช่นเราทําอะไรแล้วอย่าไปคิดว่าเราจะได้อะไรนะคนสมัยนี้นะจะทําอะไรเนี่ยจะคิดก่อนว่าทำแล้วชั้นจะได้อะไรนะแต่ถ้าเราคิดต่างกันนะสมมติถ้าเราทําอะไรเนี่ยทําแล้วสมมุติคนอื่นเขาจะได้ประโยชน์อะไรนะสังคมจะได้ประโยชน์อะไรชุมชนจะได้ประโยชน์อะไรเนี่ยการทําแบบเนี้ยคือการทําแบบไม่เห็นแก่ตัว คือไม่คิดไม่คิดว่าตัวเราจะได้อะไรนะตัวเราจะเสียอะไรนะบางทีคนที่คิดว่าแล้วเราจะได้อะไรเนะี่ยมันจะคิดว่าหนึง่งเราจะได้อะไรตอบแทนสองเราจะเสียอะไรไปนะใช่ไหมถ้าเราคิดแบบนี้นะเราจะไม่อยากเราจะไม่อยากทําเพราะว่าหนึง่งเราก็เสียเราก็เหนื่อยก็ไม่เห็นจะได้อะไรเลยแบบนี้ยมันก็ มันก็ไม่อยากทำสิหรือว่าทำไปก็ท้อก็เหนื่อยนะแต่ถ้าทำเราคิดว่าเออเราจะให้เนี่ยถ้าเราตื่นเช้าขึ้นมาทุกๆเช้าเนี่ยคิดว่าเออวันนี้เราจะให้อะไรใครดีเราจะทำอะไรเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมดีเนี่ยจิตใจแบบนี้นะก็มีความสุข น, นะนะมันไม่ได้คิดที่จะเอาเนี่ยถ้าจิตที่คิดที่จะให้เนี่ยมันมีความสุขนะเหมือนเมื่อวานนะพวกเราเออหลายท่านเนี่ยได้ช่วยกันทา ใน ว, ว่าเอาญ้าออกจากสาระน้ําในวัดของเราเนี่ยนะก็คือการที่เราไม่เห็นแก่ตัวนี่แหละนะเรามีความเสียสล ะ, ะนี่แหละนะเราอาจจะมีความเหนื่อยมีความร้านะอาจจะใช้เวลาอนะมากกว่าสี่ห้าชั่วโมงเนาะที่มาช่วยกันแบบเนี้ยมันก็มันก็เหนื่อยมันก็ร้านี่ก็ธรรมดานะแต่ถ้าเรามองที่ประโยชน์ว่าอ๋อนี่วัดก็จะได้ นะมีเกิดการพัฒนาย่าก็จะได้ไม่ลกนะน้ำก็จะได้ไม่เน่านะแลวเราก็ได้ไปฝึกการเสียสระนะฝึกการทำงานบ้างนะแม้อาจจะเหนื่อยจะละ้าแต่ถ้าเรามองที่ผลของงานนะมันมีความสุขนะแม้วันนี้แม้เมื่อวานนั้นยังทำไม่เสร็จนะแต่มันก็โอ้ย่าก็ออกไปไหลติดคันรถนะเห็นเพราะคนช่วยกัน หลายคนเนี่ยก็คือพอเราไม่เห็นแก่ตัวของเราเองนะเราก็ทํางานแบบเรียกว่าไม่ได้พักเลยเ น, ะนาะอาจจะไม่เหมือนคนทํางานรับจ้างนะบางทีทํางานรับจ้างเป็นรายวันเนี่ยขยันหรือไม่ขยันเนี่ยก็ได้ค่าแรงเท่ากันนะบางคนก็คิดเช่นนั้นแต่พวกเราเมื่อวานนี้ทั้งพระทั้งแม่ชีแล้วก็โยมเนี่ยช่วยกันนะไม่มีอู้อทํางานลง พอลงงานก็ทําทันทีนะแทบไม่มีพักเลยนะมีแต่พักทานอาหารเที่ยงนะทันเพลนเส็กก็ไม่ได้พักเลยทานเผ็ดทานเสร็จล้างจานเสร็จก็มาทํางานต่อนะจนถึงเวลาพอสมควรเว็บผมผมเนี้ยก็เป็นการที่เรียกว่าก็น่าน่าชื่นชมนะเพราะว่าเป็นการเสียสละนะเราทําแล้วอาจจะตากแดดตากลมมันร้อนหรือตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็ปวดเมื่อยเนาะ อย่างแต่มาเองตอนตอนเย็นก็ยังไม่ปวดไม่เมื่อยเท่าไหร่นะพอตื่นเช้าขึ้นมาอ้อปวดแขนเอออปวดเอวนะอ้อร่างกายเนาะอืมันก็แสดงความปวดความเมื่อยให้เราเห็นนะอันนี้ก็ธรรมาดานะแต่ถ้าเราถืออย่างจางพุทธทาทต้นว่าถือเอาความไม่เห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งเนี่ยเอออันนี้ยมันดีนะเราจะทํางานด้วยความสุขนะ ทำงานแล้วก็สนุกกับการทํางานแต่จริงมันก็สามารถครอบคุมทั้งอย่างอื่นด้วยก็ได้แม้บางทีเราไม่ไม่ได้ทํางานในลักษณะเป็นเช่นงานาบริการหรืองานบําเพ็ญกุศลเช่นนี้แต่จริงถ้าเราปฏิบัติทำก็ดีนะถ้าเรายึดเอาเรื่องการไม่เห็นแก่ตัวทําอะไรก็แล้วแต่สละความเป็นตัวเป็นตน ความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งต่างๆเป็นตัวเป็นตนของเรานั่นแหละอันนี้ก็เป็นเป็นสินที่จะทําให้เราดุจพ้นได้นะนะถ้าเราปฏิบัตินะถ้าเรายังยึดในความเป็นตัวเป็นตนนี่ฉันเป็นผู้ที่มีศินนะก็ยังมีความเป็นตัวเป็นตนว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีศินนะฉันเป็นผู้ที่มีสมาธินะก็ยังยึดว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่น ฉันเป็นผู้ที่มีปัญญานะเป็นผู้ที่มีสติยึดนะยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองเป็นฉันนะหรือไม่แต่กิเลสเกิดขึ้นนะบางทีเราก็ยึดว่าฉันเป็นผู้โรคผู้โกรธ ผ, ผู้หลงนะก็คือการยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นของเรานะแต่จริงถ้าเราทําอะไรต่างๆนะอืสตะนะสตะความเป็นตัวเป็นตนนะั่นแหละก็คือการไม่เห็นแก่ตนนะ เราสล ะ, ะสิ่งต่างๆกิเลสพันหตัณหาร้อยแปดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในใจเนี่ยรู้ทันสละออกไปเนี่ยก็เป็นการไม่เห็นแก่ตนน ะ, นะการเพราะที่จริงตัวตนที่แท้จริงมันไม่มีนะมันมีก็ตอนเมื่อที่เราหลงนะมีก็ตอนเมื่อที่เราไปยึดนะแต่แท้ทจริงแล้วตัวตนจริงๆมันไม่มีนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าชีวิตของเรามันก็มีแค่รูปแล้วก็แค่น้ำเท่านั้นแหละนะ สิ่งต่างๆนี้เป็นสมมุติทั้งนั้ น, นตัวตนที่เป็นชื่อที่เป็นรูปร่างมันก็ไม่ได้คงที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันบังคับบัญชาไม่ได้เรามาดูตรงนี้เลยเห็นว่าตัวตนที่แท้จริงมันไม่มีแต่มันมีตัวตนโดยสมมุติเฉยๆว่าเราชื่ออะไรเราอยู่ในตำแหน่งอะไรเราเป็นใครในที่ต่างๆแต่จริงพวกนั้น เขาเรียกว่าเป็นหัวโขนเนาะเป็นสิ่งที่สมมุตินะแต่จริงตัวตนที่แท้จริงเนี่ยมันไม่สามารถบังคับได้เลยนะอย่างเราพิจารณาดูร่างกายของเราเนี่แหละนะมีการเกิดขึ้นมาโตขึ้นมาแก่เจ็บแล้วก็ตายเนี่ยไม่มีใครบังคับได้นะแม้เราไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บแม้เราไม่อยากแก่มันก็แก่แม้เราไม่อยากตายมันก็ตายนะแม้ไม่อยากหิว มันก็หิวนะอย่างลมหายใจเนี่ยดูก็ได้เราหายใจเข้านะบังคับไม่ให้มันหายใจออกได้ไหมก็ไม่ได้นะอหายใจเข้าก็ต้องหายใจออกหายใจออกก็ต้องหายใจเข้าทำเช่นนี้นะอย่างพระเจ้เจ้านะท่านก็เคยนะท่านก็เคยกั้นลมหายใจนะแม้หายใจเข้าไปแล้วไม่หายใจออกมานะแต่ธรรมชาติมันก็ยังออกมาทางผิวหนัง ทางรูทางหูบ้างทางตาบ้างอะไรนะ่ะมันก็ออกของมันนะที่จริงท่านพุทเจ้าท่านตอนนั้นคือตอนก่อนที่ท่านจะเป็นพุทธเจ้านะตอนที่ท่านบำเพ็ญทุกรกคดียาถ้าท่านพิจารณาว่าเออร่างกายมันบังคับไม่ได้นะท่านอาจจะบรรลุธรรมในตอนนั้นก็ได้แต่ตอนนั้นจิตใจท่านคิดที่จะไปบังคับนะบังคับให้ร่างกายมันเป็นไปอย่างที่ต้องการบังคับให้ลมหายใจมันไม่ออก แต่จริงธรรมชาติเนี่ยเขาก็สอนว่ามันบังคับไม่ได้นะบังคับลมหายใจกั้นไว้มันก็ยังออกของมันอยู่อันนี้ที่จริงธรรมชาติเนี่ยเขาบอกความจริงนะนะแม้เราจะทำผิดอยู่นะธรรมชาติเขายังบอกความจริงของเราอยู่นะให้เราพิจารณาแบบนี้แหละนะที่จริงการปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือการเห็นความจริงอย่างจำแจ้งนี่แหละนะ ความจริงที่เกิดกับรูปกับนานนี่แหละเราดูมันไปให้ชัดชัดเลยนะรูปก็สอนอะไรนะก็สอนเรื่องความไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกวันนะทุกเวลาได้ซ้ำนะไม่ใช่ทุกวันไม่ใช่ว่าเราเราเป็นเด็กเราเป็นผู้ใหญ่เราแก่เราตายมันเปลี่ยนแปลงไปแบบนั้นแต่จริงเราเปลี่ยนแปลงทุกวันนะหายใจเข้าหายใจออกนะ แทบทุกวินาทีนะที่จริงเ็าบอกว่าแม้แต่เซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมันเยอะแยะมากหลายล้านล้านเซลล์นะมันมีการเกิดขึ้น ค, คือการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทนที่แล้วเซลล์เก่าเนี่ยมันก็ตายไปนะอย่างเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยมันก็ตายทุกสามเดือนนะแต่มันก็วนเปลี่ยนเวียนไปนะตายกันไปซ้ำ ๆ, ๆ, ๆในร่างกายของเราเนี่ยมีมีการเกิดมีมีการตาย มีการสร้างขึ้นใหม่มีการเสลี่อมสดายไปทุกวันน ะ, นะผมะมันก็ค่อยๆจากดำกลายเป็นขาวอนะไเนี้ยแล้วก็ร่วงหล่นไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแบบนี้แหละถ้าเราดูดีๆนะร่างกายเนี่ยก็สอนความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงมันมีความทุกข์นั่นแหละมันถึงได้เปลี่ยนแปลงนะถ้ามันไม่ทุกข์นะมันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกนะมันก็ต้องคงที่ทนะี่จริงทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นเช่นนี้ มันบังคับไม่ได้นะหรือที่จริงไม่แต่รูปอย่างอื่นภายนอกนะอย่างสล า, าหลังเนี้ยนะก็คงไม่เกินสองร้อยปีนะเดี๋ยวก็ต้องผุพังนะแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้นะต้นไม้ต้นใหญ่ๆก็เหมือนกันนะสักวันก็ต้องโค่นต้องล้มไปนะแม้แต่ก้อนหินนะแม้แต่ผืนดินเองก็ดีนะ อย่างผืนดินก็ว่าอย่างภาคอีสานเราแต่ก่อนเคยเป็นมหาสมุทรเป็นทะเลตอนนี้มันก็ยกขึ้นมาเป็นผืนแผ่นดินนะเห็นไหมแม้แต่โลกเราก็ยังเปลี่ยนแปลงนะแต่ก่อนโลกเราไม่มีสิ่งมีชีวิตนะอากาศมันไม่เอือ้อมันก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจนทั้งมีสิ่งมีชีวิตนะทวีปผืนแผ่นดินต่างๆก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาไปนะพวกเราก็มาเกิดในโลกนี้ก็แค่แคชั่วคราวเท่านั้น ต่อไปโลกนี้ก็เปลี่ยนไปอีกละอาจจะไม่มีมนุษย์อยู่ในโลกนี้ก็ได้อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่แสดงในตัวของเราเองหรือว่าแม้แต่สิ่งอื่นวัตถุอื่นเนี่ยก็แสดงเช่นนี้เหมือนกันนะ ม, มันสอนเรื่องใตรักนี่แหละนะสอนเรื่องใตรักให้เราดูดีๆพิจารณาดูไตรักที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยแหละนะแม้แต่ใจเราเนี่ยยิ่งยิ่งเร็วเลยน ะ, นะความคิดเนี่ยมันเร็วมาก ถ้าเรามีสติโดยดีเนะี่ยจะเห็นว่าวันวันหนึ่งนี่ไม่รู้คิดเพกี่หนนะไม่ได้ตั้งใจจะคิดมันก็คิดของมันเองนะเห็นไหมว่าความคิดมันเกิดขึ้นของมันเองนะเพราะมีนะตะกรันเก่าๆเพราะมีอวิชชาความไม่รู้ต่างๆมากมายนะี่แหละทําให้เราหลงไปนะหลงทางตาบ้างหลงทางหูบ้างหลงทางจมูกทางดิ้นทางกายทางใจเนี่ยเราหลงนะ ไม่อยากจะหงนะมันก็หลงนะไม่อยากจะคิดนะมันก็คิดนะอ่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือรู้ทันมันให้เร็วนะแม้อาการภายในจิตที่เป็นนามธรรมต่างๆเนี่ยความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความพอใจก็ดีความไม่พอใจก็ดีความโลภความโกรธความหลงก็ดีหรือแม้แต่ความคิดด้านดีก็ดีนะบังคับ บัญชามันไม่ได้แต่สิ่งที่เรามาฝึกก็คือฝึกให้รู้ทันเขาให้เร็วๆนะเมื่อเรารู้ทันเขาเร็วแล้วแหละเราจะไม่ตกเป็นทาตของความคิดนะเราจะไม่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าความคิดนี้อารมณ์นี้ความรู้สึกนี้เป็นตัวเป็นตนนะเป็นเราเป็นของเรานะเป็นตัวกูเป็นของกูนะถ้าเราทำเช่นนี้แหละก็คือเราไม่หลงไปยึดว่ามีตัวมี ต, มตนนั่นแหละ ถ้าจะเรียกว่าเป็นการไม่เห็นแก่ตนไม่เห็นไม่เห็นแก่ตัวก็ได้นะคือเห็นเห็นจริงแท้ว่าตัวตนที่แท้จริงมันไม่มีนะเราฝึกเช่นนี้นะแต่บางทีสมมุติเราก็เรียกว่าอา่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นที่พึ่งอะไรบ้างมันก็เรียกโดยสมมุตินะนะบางทีบางคนก็สงสัยพระพุทธเจ้าบางทีท่านก็สอนเรื่อง ว่าไม่มีตัวไม่มีตนอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่บ า, างทีท่านก็สอนนะให้ตนเป็นที่พึ่งของตนแบบนั้นนะอัตหิอตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนหรือว่าท่านก็สอนตนที่ฝึกดีแล้วนะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแบบนันอันนั้นความเป็นตัวตนในเช่งนั้นก็คือสมมุตินะสมมุติว่าว่าเราเนี่ยแหละนะจิตใจของเราร่างกายของเรานะถ้าเราฝึกดีแล้วมันก็เป็นที่พึ่ง ให้กับตัวของเราเองได้มันก็เป็นสมมุติที่เรียกนะแต่แท้จริงแล้วก็เพื่อให้เห็นความจริงว่าตัวตนที่แท้จริงนะ่ะมันไม่มีนะแต่มันถ้าถ้าถ้าเราฝึกดีนะฝึกกายนี้ฝึกใจนี้ดีนะมันก็สามารถเป็นที่พึ่งนะให้ไม่ทุกข์หรือเป็นที่พึ่งให้แก้ความทุกข์ได้อันนี้นกะคือการที่เรามาฝึกนะมาฝึกตัวตนโดยสมมุตินะไม่ว่าเราจะมาบวช หรือว่าเราจะมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเราก็มาฝึกหัดนะการละตัวตนนี่แหละนะ่ะฝึกหัดการไม่เห็นแก่ตนนี่แหละนะฝึกหรือฝึกหัดทําให้อ่าตนที่แท้จริงก็คือจิตใจนี่แหละเป็นที่พึ่งให้กับตัวของเราเองได้เนี่ยคือสิ่งที่เรามาฝึกหัดนะเนาะนะนะเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ฝึกหัดกันในทํานองนี้เนะก็ วันนี้ก็คงคิดว่าสมควรแก้เวลาเนะาะญาติโยมก็รับสินฮะสินแกัน